أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي البحر هذا عذب ف ر ا สายุนช راب ุสายุนลิชารีบินอันไม่อันไม่ว่าไม่จะตัวิลบหรอน هذا ع ز ب فرات سائق شرابه وهذا منح أجار. Wamin kulintak kuluna lah mam toriah, watastakriju nahil ya dan talbasuna. وَتَرَالْفُلْكَ فِي م َ و ا خ ر َ لِتَبْتَوُمِ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يولد الليل في النهر، و ي و ل ج النهر في الليل، وسخر الشمس والقمر. อุ ل วิَ ج จริลอาจَิมุซัมมันั่นคื ل องค์ُระผّูเป็นเจ้าُระเจ้าของ والذين تدعون من ولو سمعوا مستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم و َ ل َ ي ُ ن َ ب ََّ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 أعوذ بكلمات الله التامات من ش ر มิ خلق بسم الله الذي لا يضر وعسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله م, م, م. ال ا ن ي أعوذ بك من الكسال وسوء الكبر ربّي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم اعافني في ب د ن ي واعافني في س م ع ي واعافني في ب ص ر ي سبحان الله وبحمده ع د د خ ل ق ه ورضا نفسه وزنة عرشه و م د ه. ا ة كلماته يا حي يا قيوم برحمتك استغثث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 ทุกทัท่านนะครับด้วยความเมตตาของอัลลอสุบฮานหูวตาเลาเราอยู่ในช่วงของการทดสอบถูกทดสอบจากอัลลอสุบฮานหูวตาเลาเรากล้าพูดตรงนี้ไหมกล้าพูดเพราะว่าท่านนาบีพูดเองเกี่ยวกับโรคระบาดนี่นบีพูดเองนะ่ะ มีฮะดิษบทหนึ่งของอิมาบุคารีได้บันทึกบอกว่าท่านยิงอาชาได้ถามท่านนาบีบอกว่าตองอนุนอย่างนี้เรียกว่าตองอนุนแปลว่าโรคระบาดมันก็ระบาดจริงๆนะระบาดไปทั่วโลกเลยนะ <c oughs> ไม่เว้นประเทศไหนนะตองอุนเป็นยังไงถามท่านนาบีนี่ดีนะท่านยิงอาชานะจังถามแล้วก็มีอิมาบุคารี บ, บันทึกฮะดิษนี่ไว้เนี่ย ถ้าไม่มีมามบุคอรีล้วก็ไม่รู้นะบางทีอาจจะไม่ถึงเราก็ได้หะดีตัวนี้นะน บ, บีตอบบอกว่าอาซาบุนโรคระบาดอย่างนี้มองเป็นอาซาบอนกล่อเห็นยังไม้มนี่เป็ น, ปนอาซาบนะอาซาบแปลว่าอะไรเป็นการลงโทษจากอรลองค์แต่ไม่ใช่แรงขนาดไม่แรงเนี่ยอัล่อะเนจะ็ดพันล้านเนี่ยกลัวกันหมดเลยนะ อัลลอฮฺอยอัลดบุมายยชาอัลลอฮลงโทษแก่ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ไม่ได้บอกก็เป็นมุสลิมมาใช่มุสลิมกาเฟตยาบูดีไม่ได้พูดพูดว่าอัลลอฮจะประสงค์จะลงโทษใครก็ให้คนนั้นเป็นโรคนะครับทีนี้มุสลิมอบีให้กำลังใจมุสลินนะวรห์มะตุลลิลมุมลินีนโรคระบาดอย่างนี้นะ สำหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่นมาสหาเวลาคนที่ إيمان ต่ออัลลอฮ์อิมานต่ อ, AH, อ, ตอรอซูลอิมานต่อมลอัลลัยกะอิมานต่อคำพีอีมัลว่าวันกิยามะมีจริงกฎก็รอก็ได้แต่อ AH, ัลลอฮ์กำหนดมาจากอัลลอฮ์จริงนะคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีและอีมานนมาสสะอาดห้าเวลาคนเหล่านี้อัลลอฮ์เตือนนบีเตือนว่าเป็นราะห์มะอาซาบนี้เป็นราะห์มะ โรคระบาดนี้เป็นราะมะลิลมุมินีทำอยเรื่อเราก็มองตามเหมือนจากนาบีอธิบายนะครับนบีก็สอนต่อไปพระโรคระบาดอย่างนี้มาทำตัวอย่างไงท่านจะเป็นหรือไม่เป็นก็ตามย้ำกุสูฟีใบีให้กักตัวอยู่ที่บ้านทังการที่เราไม่ออกจากบ้าน แล้ววันนี้คนที่ทั้งโลกเลยนะไม่ออกจาก บ, บ้านนะก็ทำตัวเหมือนใครเหมือนที่นบีสัง่งแแต่ใจะให้การอยู่ในบ้านเนี่ยมีมีผลบุญทำไงแล้วก็ต้องนึกว่าที่เราอยู่บ้านเนี่ยเพราะนาบีสัง่งฝันนึกถึงสุนนะนาบีและุณละบุรมันก็ามาเพราะนาบีสอนอย่างนี้นะความช่วยเหลือของอัลลอฮ์เนี่ยจะมาพร้อมกับสุนนะนบี ความช่วยเหลือของอัลลอ์เนี่ยจะมาพร้อมกับสุนนะนบียิ่งโลคระบสุนนะนบีสอนว่าไงยมกุซูฟีใบติหีกักตัวอยู่ในบ้านอัลลอ์จะช่วยซาบิรุนว่โมฮ ต, ตสิบมตสิบุอยู่ในบ้านนะอยู่ยังไงต้องมีสองอย่างนะอดทน เร า, าสั่งให้อดทนอดทนนบีสั่งให้อดทนอดทนไม่ใช่อดทนอย่างเดียวนะอยู่ในบ้านถ้าจะอดทนก็ต้องมีงานอื่นเข้ามาแทนซะอะไรบ้างอ่านกุรอานเยอะๆแล้วก็เซคุรุลลอฮ์เยอะๆขออุดอ่าเยอะๆบริจาคเยอะๆนี่นบีสั่งเลยนะและอิหมามอิบรุติมมียาจะเอาเรื่องนี้มาพูดบ่อยๆอยู่บ้านอดทน แล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจะเอาล็อคให้ทำสี่ห้าข้อหนึ่งนมาอย่าให้คาดอยู่ที่บ้านแล้วก็เชิญลูกเมียหลานๆมายืนนมาศด้วยกันพราะอยู่ที่บ้านห้ามออกอนช่ไหมล่ะ น, นมาศยาคาสองอา่านอัลกุรอาน ส, นสม่ําเสมอ น, นะครับสามสิกรุลนร้อยเยอะสี่ขอดุเยอะเยอะห้าบริจาคอัลลอฮฺประกาศเห็นอย่างในชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ เพราะเราได้รับสุนนะจากท่านนบีมานะครับทีนนี้เมื่ออยู่ในบ้านเราไม่ได้เป็นโรคแต่อยู่ในบ้านเวลาออกก็ต้องใส่นกงหน้ากากใช่ไหมก็ไอ้นี่กระทรวงสาธารณสุขทุกโลกทุกทุกประเทศในโลกสอนมอนกันหมดเลยนะทีนี้เราอยู่ในบ้านเนี่ยรางวัลได้ไหมอัลลอฮฺอัลบัถ้าเหมือนผลละบุญถ้าคนตายสาเหตนะ ในสนามรบมาเนี่เราต้องสบายใจว่าแต่เราต้องขอดุทิศด้วยนะช่วงนี้น่าจะขอได้แล้วอัลลอฮฺจะให้โรคนี้มันผ่านไปอย่าให้เข้ามาอยู่ในบ้านมุสลิมประเทศมุสลิมทั่วโลกนะครับปฏิบติตรงจะขอแล้วไปต้องขออัลลอฮฺจะรับคนใครในเรื่องหนึ่งนะช่วยกันขอดุทิต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูอตาละนะครับขอภาษาไทยนั่นแหละอย่าเอาภาษาละเพราะเราไม่เก่งภาษาละ พี่น้องขอบคุณต ล, อ, ลอนะที่เราเนี่ยไม่ได้หยุดนะสอนตับซืีอก็ไม่หยุดเพราะว่าตับซืีอไม่เกี่ยวกับชีวิตเราไม่น่าจะหยุดนะทีนี้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดเรื่องอะไรบ้างเรื่องอายุใช่มหมเรื่องอายุเห็นอะไรบ้างเวลาว่ามาอยู่อามารูมิ ม, มูอามาริน วลายัางผู้สมิงเอาไม่ได้อย่างที่แล้วนะที่สบเอ็ดเนี่ยพูดเรื่องอายุอายุยาวอัลลอฮให้อายุสั้นอัลลอฮก็จัดให้แต่นี้อลมะเนี่ยอธิบายดีนะต้องการจะให้อายุยาวนะทำยังไงซึ่งคนส่วนใหญ่มันก็ชอบอายุยาวเดียวกันทุกคนนะ แม้แต่คนมีเอาศาสนาก็ขออ้อนให้อายุยาอัลลอฮ์จะให้มีอายุยาวๆไว้เถอจนนี้นบีสอนอายุยาวไ้ทำแบบนี้มันซรรหูอัยยับสุตอละหูฟิริสกิฮิวยุนซาอละหูฟิอัซาริฮิฟัลยอิลรหิมาหูอิมามบุครีอิมามมุสลิมโอ้หอบดุลอาบุลอีกสามสามอุลมะฮดีสามคนเลยนะใครที่ ต้องการอยากจะให้มีริสกีกว้างขวางแล้วก็มีอายุยืนยาวให้ติดต่อกับเครือญาติเห็นไหมแค่ติดต่อกับเครือญาติคําว่าเครือญาติอธิบายยังไงอ่ะหนึ่งพ่อสองแม่พี่ชายพี่สาวพี่สาวพี่ชายน้องชายน้องสาวนี่ญาติหมดเลยนะยายกลาชิดด้วยพี่ พี่น้องของฝ่ายแม่พี่น้องของฝ่ายพ่อแล้วก็พ่อตาแม่ยายลูกเขยลูกสะพ้ยพ่อผัวแม่ผัวทั้งหมดแล้วนี่นาะยพี่น้องครับเป็นเครือญาติของเราต้องไปมาติดต่อหาสู่ซึ่งกันและกันอย่างในช่วงโควิดนี้ก็ต้องติดต่อทางโทรศัพท์ไปเยี่ยมไม่ได้ก็มาสบายดีไหมยศสบายดีไหมขอดูอาให้กันและมีอาหารก็ส่งกันนี่คาการติดต่อกับเครือญาติ ทำาห้อายุยืนยาวอุลมามะอีกท่านหนึ่งบอกว่าอายุยืนยาวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอายุยาวเจ็ดสิบแปดสิบเป็นร้อยอย่างพวกสมัยนบีอาสสมัยนบีอะไรนะพวกอาสสมุนนะอะเอานี่ละหกสิบเจ็ดบนี่แหละแต่ลูกแต่ลูกของครอบครัวของท่านบินอน่ะเป็นลูกที่สอแล้วมีลูกดีเนี่ยลูกดีเนี่ขอดูอาให้ พอนอนอยู่ในกุโบตายไปตั้งหลายปีแล้วมะก็เสียไปตั้งหลายปีแล้วแต่ลูกดีลูกขอุอาให้ผลบุญถึงตลอดเวลาเลยพอถอาของลูกนบีสอนอย่างงี้ลูกวดาดุนอริหุนยานอลาหูลูกขอุอาให้ผลบุญถึงพ่อแม่นอนอยู่ในกุโบทั้งทั้งที่เขาไม่ได้ทาอะไรเลยนะนอนเฉยๆนี่นะผลบุญเข้าบัญชีเหมือนกับอายุยาวเหมือนกัน นี่อุลมามะอธิบายอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺที่พูดอายุยาวนะอาจจะให้อายุสั้นทาําไงความจริงอายุสั้นมาของอัลลอฮฺอยู่แล้วแหละแต่ถ้าตัวเองทําอีกนะให้อายุสันน้นก็เก่าเนึองให้ทําซิน่าเยอะๆนะอัลลอฮฺบิณฑะเลกให้ทําซิน่าสองให้ทรยศเนี่ยตัดข า, กาดก็ญาติพี่น้องตัวเองนะเนี่ยอายุสั้นแน่ แล้วก็กินเล่าเล่นการพนันของที่อัลลอฮ์ห้ามทั้งหมดเป็นบาปใหญ่ๆนี่นะช่วยช่วิกนี่ใช่ไปหาโต๊ะตะเกียรขอท้นขอนี่อันนี้ใช่หมดเลยนะ่ะเป็นบาปใหญ่ทั้งหมดประมาณ100ร้อยกว่าข้อนี่จะทําให้อายุสันส้นสันส้นสั้นสั้นคําว่าอายุสัน้นอธิบายตัวเกชีวิตของเขาอายุยาวแต่บาปกระัดไม่มีตรงนี้ต่างหากที่เรากลัวนะ่ะ อายุเท่าไรแปดสิบแล้วยังแข็งแรงสังเกตเล่าก็ดื่มสีนา้าก็ทําทําบกของฮะรามทุกหมดเลย ต, ตัดนู่นตัดนี้ก็ยากพี่น้องอายุของเขานะั้นมันสั่นนงนะครับงาอายุไม่มีบรารกัดอย่าไปทําตามที่นบีห้ามอย่าไปทําตามอย่าไปฝืนคําสั่งของอัลลอฮฺเราละซูลทำให้ชีวิตของเขาไม่มีไม่มีวรรกัดเข้าใจนะอายุเท่ากับมุสลิมนั่นแหละแต่มุสลิมชีวิตมีบรรกัด แต่ชีวิตของผู้ไร้ศรัทธาต่ออัลลอ์ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ธรรชีวิตของเขายาวก็จริงแต่ยาวแบบไม่มีบารการทำโดยดุละนี่เข้าใจนั่งทำดุลีละเอาวันนี้มาอายที่สิบสองว่มาจะตวิลบาฮ์รอนฮาดะอับุฟร สายชรั ب ُ وهذا มิญ ح أ ج ج ز و من كلن تكولو نالحم طريا و تستخرجو نحيل ي ت َ طلبونها و ت ر ا ل ف ُ ل ك مواء وَتَرَلْ فُلْكَ فِيهِ م َ و َ ا خ ِ ر ٌ لِتَبْتَأُ م ِ ن فَضْلِهِ وَلَا عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ الحمد لله الله ق ك ب ر ن ن ا وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائِق شرابه وَهَذَا م ِ ن ح أ ن ج َ ا ج َ و َ م ِ ن ك ُ ل ِّ تَكُلُونَ ل َ ح ْ م ا ط َ ر ِ ي َ وَتَسْتَخْرِجُنَ حِلْيَةً ت َ ل ْ ب َ س ُ ن َ ه َ ا و َ ت َ ر ْ غ ل ْ فُلْكَفِيهِ م َ و َ ا خ ر ل ِ ت َ ب ْ ت َ أ ُ م ِْ ف ََ ب ل ِ วะลอัลลัคุมตัสกุรุนอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อพะ์นี้อัลลอฮ์ต้องการจะเล่าว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีความสามารถบอกกับนบีนะให้นบีมาสอนชาวอาหรับนะและพวกเราวันนี้เราอ่านคุณอ่านเราก็เจอแล้วว่าอัลลอฮ์นี่สอนกับนบีเรื่องอะไรบ้างนาบีมาต้งเรียนหนังสือเรามีความรู้ผ่านอย่างนี้แหละ น, นี่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดอายาในีเป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยอัลลอฮ์เล่าให้ระบีฟังว่าความสามารถอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เนี่ยมีอะไรบ้างพูดถึงเรื่องน้ำทะเละเรื่องทะเลนะทะเลมีสองอย่างใช่ไหมทะเลน้ำเค็มกับน้ำจืดมาดูกุรอานว่ามายาสตาวิลบาฮรอน บารอนแปลว่าทะเลสองทะเลกวาจะไม่เข้าใจเอาละอธิบายต่อไปอีกฮาดาอัซบุงฟูรออัซบุงแปลว่าน้ำจืดฟูรอจนแปลว่าดด่นไปแล้วดับก็หายดด่นไปแล้วดับก็หายหวานชื่นอกชื่นใจหาย อดูดูกาแปลวายัสตาวิลบารอนทะเลทั้งสองเนี่ยไม่เหมือนกันทะเลทั้งสองไม่เหมือนกันเปิดถูเปิดตายังอัลลอฮฺอุลอาบัตในอิสลามทั้งหมดนี่เป็นของอัลลอฮ์หมดเลยนะเมื่อก่อนนี้ที่ผ่านมาชั้นฟ้าเป็นของอัลลอฮ์แผ่นดินเป็นของอัลลอฮ์เกียรติยศของมนุษย์นี่ก็ของอัลลอฮ์พะยากอัลลอฮ์ส่งมา ริสกีอัลลอ์ส่มาทั้งหมดอ่าเล่าในรายละเอียดด้วยว่าท้องทะเลน่ะมีสองแห่งนะไม่เหมือนกันนะทะเลจืดมีทะเลเค็มมีวะมายัสตาวิลบาฮอรและทะเลทั้งสองนั้นไม่เหมือนกันฮาดาอับุนอันนี้จืด อาฮาดาแปลว่าทะเลนี้จืดน้ําจือดอัลลอฮ์นี่เล่าให้นบีฟัง Allah, อัลลอฮ์นบีอกอทะเลนี้เพราะนาบีบางทีก็ไม่ได้ลงเรือเท่าไหร่ใช่มล่ะแต่เล่าให้นบีฟังไอค้คนณได้อยู่ในเรือเข้าใจอ้นี่อัลลอฮ์ให้มาอะ้รเนี่ยเห็น ไ, ไหมฮาดาอาสบุนอันนี้จืดฟูรอตุนแปลว่าจืดสนิทดับทาหาย อร่อยคล่องคออโลวันวันทำ น, นี่แล้วก็คุณอโลล้อลเล่าหมดเลยนะซาอิุนซาอีกแปลว่าคร่องคอกินแล้วอร่อยกินแล้วดับกระหายเนี่ยล้อเล่านะครับเพืร่รอานพี่ต้องเห็นยาโอ้วความละเอียดของอิสลา ม, มขนาดไหนนะเล่าให้ฟังเลยนะกินน้ําจืดเนี่ยน้ายําจืดมาจากไหนบ้างมาจากทะเลยเดียว น้ำฝนกับน้ําจือใช่ั้มอะไรที่เป็นน้ําจืดเจือเนี่ยดับก็หายได้อัลลอฮ์ต้องร่างถึงจะก่อนเกินอ่านว่าไงบิสมิลลาห์ก็กินอิมแล้วอัลฮัมดุ ล, ลิลลาห์ต้องสอนลูกสอนเมียสอนเยาวชนลูกหลานเราให้ขอบคุณอัลลอฮ์เพราะน้ำเนี่ยมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหูอัตอัลลตัวระหว่าน้ํำทะเลนี่ยมีกี่แห่งนะสองสองแห่งนะไม่เหมือนกันนะน้ําจือมีอต่อมาครับ ว่าจะมิลพ้นเละอันนี้เค็มและอันนี้เค็มอูญายุนอัลลอฮ์คำว่าอูญายุนเนี่แปลว่าเค็มจัดทุกท่านกินไปแล้วขมอ่ะเคยกินว่านั้นก็เลยแค่ออมๆก็แย่แล้วนะนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเห็นอย่างครับขอบคุณอัลลอฮ์ละหมดีเลยนะ ขณะนั้นบนทุนยาไปนี้นะอัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์จึงเล่าให้ฟังอะน้ําจืดอัลลอฮ์ก็ให้มานน้ําเค็มอัลลอฮ์ก็ให้มานานี่คุยเรื่องน้ํำไาก่อนน้าจืดก่อนใช่ไหมแต่วก็น้ำน้ํำทะเลที่หลังเอาสังเกตบนโลกนี้นะน้ําเค็มกับน้ําจืดอันไหนมากกว่ากันน้ําเค็มมากกว่าผมดไปอ่านในตัฟซีดนะน้ําเค็มอัลลอฮ์ให้มาทําไมเออห้ามอยู่ดีละ น้ำเค็มเนี่ยให้มาอย่างงี้เพื่อรักษาอากาศเนี่ยให้มันสะอาดที่อากาศเนี่ยบริสุทธิ์เนี่ยไม่จช่น้ําเค็มทั้งหมดเลยนะไปทำดูดิละแล้วก็สัตว์ที่ตายในทะเลทั้งหมดนี่นเป็นเป็นอาหารด้วยนะอาหารของของของคนทั้งโลกนี่แหละไม่ต้องเชื่อ ด, ด้วยแล้วก็น้ำนะ่ะน้ําเค็มเนี่ยสะอาดไม่ใช่สกรปรกนะไอ้น้ําตรงเดชเซนะสกรปรก แต่อ่างเทมทั่วไปนี่นะสะอาดสามารถเอามาอาบน้ำน้หมาย ก, ก็ได้ถ้าน้ำจืดไม่มีแล้วก็ปลาในมหาสมุทรทั้งหมดน่ะเอามาทานได้เลยไม่ต้องเชือดเอามาทานได้เป็นอาหารให้มันตายอย่างเดียวนะแล้วก็เอามาเป็นอาหารได้เลยขอบคุณนลอทำโดยเลืล่นะที่ข้ออิมามอิมามเนี่ยอิมามบุคอิมเนี่ยบุลูุลมารวมฮัดดิษบทบ ท, ที่หนึ่งเลยนะพูดบอกว่า อันอบีฮุรัยรยัลลอฮาค๊อเลคอะสุลลัลลอฮลามซาลลัมน้ทะเลน่ะสะอาดอธิบายยังไงสามารถอาบน้นํามาดได้อามาทาอะไรได้หมดล้างนู่นล้างนี้ได้หมดเลยตัวมันเองก็สะอาดแล้วก็สามารถทําให้สิ่งอื่นสะอาดได้ด้วยสัตว์ตายในทั้งหมดสัต ชวนนายมหาสมุทรเป็นเป็นอะไรนะเป็นอาหารสําหรับคนทั้งโลกหมดเลยไม่ต้องเชื้อดด้วยแต่สัตว์บกทุกชนิดต้องเชื้อหมดนี่ใครสอนเราเอาเราสอนเราเรียกบางคนหัวหมอเอาสัตว์บนบกโยมเรีนทะเลเอาเลือดฉันจะกินแล้วไม่ต้องเชื้อเองระวังระวังไอ ห, หัวหมออย่างงี้จึงเกิดโรคระบาดอย่างนี้ละเอาต่อมาครับตัวรางวัาน้ำน้ำเค็มเลยดีไหมดีเอาเราทาให้ อากาศสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ปลาที่อยู่ในน้าอยู่ในทะเลมันก็เน่าวใช่ไหมล่ะแต่น้ำเค็มนี้เลยไม่เน่าไ ม, ไม่ไม่สมกลิ่นด้วยอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺสุฮานะอูตาแลและน้ำเค็มประโยชน์ไม่ได้บิคําเกลือได้เองอ่ะตัวของจังหวัดอะไรนะสมุทรสมุทรสาครเนี่ยในเมืองกรุงเทพเนี่ยนะแต่พี่น้องครับเกลือเนี่ยเกลืออะไรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่สุดเนี่ย เกลือดำดำที่มาจากประเทศหิมาลายาแล้วก็เกลือสีสีชมพูนี่นะมาจากประเทศฮิมาลายามาจากอินเดียหมดเลยนะท่านนะ่ะเกลือที่มาจากภูเขาหิมาลายาเป็นเกลือที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยยิ่งโรคโควิดนี่นะนะเอาเกลือดำดำนีนะ่ใส่ไปในแก้วสักแก้วแล้วก็คนใด้ดีดื่มกรวดคอด้วย ต, ตามด้วยฮับบะตูซาด้าอีกอัลลอฮฺอักุรรี ข, ขเป็นสุนาัขนาบีทั้งหมดรักษาโรคโควิดได้สุขภาพแข็งแรงตนลงว่าเกลือบเราเนยนะประชาชนได้ไหมได้แต่เกลือที่ดีที่สุดก็เกลือที่มาจากภูเขาหิมาลายาในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้พอินเดียมันขนมาขายหมดแล้วไปเทปาราตไปเนี่ยอะไรนะไอ้พราไดเนี่ยนันมีประถามของเกลือดํานะเดี๋ยวไปจัดให้นะ เป็นความรู้ทั้งหมดเลยนะมาจากอัลลอฮ์สุบฮานาหูแต่ต้องเลือกนตึต้องศึกษาไปศึกษาไปจะเจออัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อย่างดีเลยอัลลอฮ์ให้มันดูเลยเลยผมทานประจำนายเกลือดำๆเนี่ยกลับมาต่อมาครับวามินกุลินตะกุลูนละห์มันตอรียาแล้วก็ น, น้ำเค็มมีประโยชน์อะไรกุลีแปลว่า ทุกแหล่งแต่ละแหล่งแต่ละแหล่งที่มีน้ําเค็มอยู่ในโลกในะอยู่ตรงไหนก็ตามนะตะกูลูนะพวกท่านทั้งหลายบริโภคพวกท่านทั้งหลายกินละมันเนื้อตอรียนันสดสดแสดงว่าอาหารปลาที่อยู่ในทะเลนั้นอรรถพูดตรงนี้เลยนะเนื้อของมันสด ทำในเรื่องจานั่งทานอาหารทานอะไรนะเนื้อสดสดนะต้องเนื้อจะมาจากอะไรนะมาจากทะเลไอ้บนบ น, บ, นบกมันก็อร่อยเหมือนกันแต่บางคนก็เลือกนี่นะฉันไม่กินของที่มาจากทะเลฉันกินของบนบกนะว่าสัตว์ทะเลไม่กินแต่เอาล่อเล่าให้ฟังผ่านนบีให้นบีไปสอนนะเนื้อปลามาถึงปลาที่อยู่ในทะเลนั่นละมันตอริยนันเนื้อมันสด อร่อยอลลอพระหน่ะอร่อยจริงๆนะอลลอบทุกคนน่ะชอบปลาหมดอาจารย์ๆๆๆๆๆแล้วก็แพงด้วยนะอร่อยหมซีฟู้ดซีฟู้ดเป็นไงนะ่แพงอะ่ะเไหมงซีฟู้ดก็ น, นี่แหละามันตอรียานี่ไงอาคุรานไปใช้ไม่ได้ขอบคุณอลลอฮสักประโยคนึงอ่ะไม่เห็นน่ะอาจดูลิลากว่าไม่พูดบิสมิลลากว่าไม่ไม่กล่าวขอบคุณอลลอ ถึงจะมีโรคโควิดนี่มาเนี่ยเตือนอ่ะเอ็งเอาข้าห า, าฉันนะฉันสร้างรูสิง่งดุจยานเรากำบรตทานให้แค่อาหารทะเลอย่างเดียวสดอร่อยอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮฺต่อมาครับน้ำทะเลกับน้ำจืดที่อัลลอฮฺให้มานะ่ะระหว่างทะเลกับน้ำจืดมีอะไรออกมาอีกวะตาสตาคเรยูนะ่าและพวก สูเจ้าเนี่ยสแสวงหาเอาออกมามาถึงงมเอาออกมาทำตื่นนะอยู่ผสมกันเนี่ยให้รยะกันเป็นธรรมเป็นเครื่องประดับล อ, อไม่ได้พูดะอะไรในดังอุลมะตับสีอธิบายไปว่าไข่มุกเอาล่ะไข่มุกมาอย่างนี้นี่ตับสีอธิบายหมดเลย หอยเนี่ยมันมันลอยเนี่ยอยู่อยู่อยู่บนน้ำเนี่ยแล้วมันรอฝนพอฝนตกลงมานะเข้าไปในปากมานะน้ำหยดเดียวนะแล้วก็มันก็จมลงไปไปอยู่ใต้ทะเลเลยระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดไข่มุกนั่นมาจากหอยไปอยู่กี่วันกี่เดือนไม่รู้ญี่ปุ่นก็ทําตามไงอ่าเอาไข่มุกมา น้านห้ำหยอดไปแล้วก็ฝังอยู่ใต้ทะเลกี่วันกี่เดือนไม่รู้นะ้รับได้ไข่มุกมาแล้วไข่มุกเอามาทำอะไรครับเป็นหิรยะเป็นเครื่องประดับตัลบาซูนะฮะที่พวกท่านสวมใส่อยู่ประดับกายอยู่วันนี้นะ่ะนั่นมาจากอะไรมาจากไข่มุกใต้ทะเลมีน้ำเค็มกับ น, น้ำจืดผสมกันขอบคุณนรอยอยังหล่อให้ยังครับ นี่เ ah e าลอเล่าละเอียดทาน้นนี้ยังไม่อาวลออี๋เยังทรยศถวอลอยอยังต่อต้านนบีอคณะใหม่ยัไปเรียนกับมันบอกว่าบีพวกเนี้ยอัลลอฮ์นี่นบี น, นามาสอนเรื่องอย่างนี้ละเอียดยิบอย่างนี้ทำไมไม่ขอบคุณอัลลอ์ุบฮานะฮูวตาเเอาสุนานะนบีนี่ทาถ้านาบีไม่มีนญาณนี่จะมาหมมจะผ่านใครอ่ะมันก็ไม่ผ่านนี่มัน่ะนี่ผ่านนาบีมุฮัมมัดหมดเลยครับบิลฮามุลเล ตัวเราว่าประโยชน์เยอะไหมน้ําเค็มเนี่ยนี่ถ้าไม่มีน้ําเค็มน้ําจืดเราอยู่ได้ไหมตายป่านนี้ตายไปแล้วรันขอบคุณอัลลอฮ์มีน้ําเค็มก็มีประโยชน์น้ําจืดก็มีประโยชน์ต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุพรรณท่านอย่าอย่าช้าจ่ายฟุ่มเฟือยน้ํากับมันกันอย่าอามน้ําน้ำมานฟุ่มเฟือยเบิด์ตก๊อบน้ําจืดใช่ไหมล่ะ แล้วก็ น, น้ำล้างหน้านิดนึงก็ น, น้ํามันก็บ่โล่พอปลายเดือนเท่าไรแปดพันคนที่เงือกแตกจะ ก, กลุ่มกาสูเรา <c oughs> จะนั้นช่วยกันประหยัดนะเพราะประหยัดมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เพราะอัลาะห์ก็สังว่าประหยัดน้ําได้ดีนะถึงแม้ว่าคุณนี่นะจะอาบน้ําบ้านคุณอยู่ติดแม่น้ําติดทะเลก็ตามให้ประหยัดในการอาบน้ําน้ำมาเข็นยังครับทําความดีไม่ต้องประหยัดเยอะมากแต่อัลลอฮ์สั่งประหยัดนะน้ำน้ำมา ใช่น้อยๆห้ำเดียิเลยแหละเอาต่อมาครับเรื่องทะเลมหมดเลยนะวัตตาร์ฟุลกาฟีมาว่าคิดตารอไปว่าท่านเห็นนบีเห็นเนี่ยนะนบีเห็นนะเห็นอะไรนะอันฟูลกะเห็นเรือมาว่าคีรอที่วิ่งวิ่งฝ่าน้ําผ่าน้ําฝ่าน้นะําน่ะเคเห็นไหมเรือจะวิ่งฝางา่าน้ำเลยมานั่งอรัตน์กับเบญกุณา ที่มันวิ่งอยู่ในมหาสมุทรเรือที่มันวิ่งแล้วก็คลื่นมันมาแล้วก็ฝ่าน้ํานี่ยอย่างงี้นะเคยเห็นไหมนั่นแหละใครให้เรือมาแ น, น่นอนอัลลอฮฺไม่ยลงมาสร้างเลยเราให้นบีนวลมาสร้างเป็นแบบก่อนเนะี่ยเป็นเรือลําแรกใช่ไหมวันนี้ก็สร้างกันหมดแต่ไม่มีใครคิดถึงอัลลอฮฺสักคนเดยวเห็นย่งครับก้มขอบคุณ อ, ล อ, อ, ลอัลลอฮฺนะอัลลอฮฺเล่าให้ฟังนะตายทะเลก็มีไข่มุก บนทะเลก็มีเรือที่แล่นอยู่ฝ่าน้ำรอหัวอากรบแต่ที่บางคนน่ะเอาเรือมาจะมีอาวุธอีกอ่ะอะอันนี้เกินไปเกินไปเกินไปแต่โรคโควิดนี่มาเองพัฒนาอาวุธเยอะๆเลิกได้แล้วดูแลคนดูแลสุขภาพคนเปลี่ยนใหม่ได้แล้วเปลี่ยนหมามาดูแลสุขภาพคนไม่ใช่ดูแลอาวุธมาทําลายกันากอเมริกาพี่ใหญ่เราทําอย่างเงี้ยนะ อ่ต่อมาไ ม, ไม่แต่การเมืองครับวตารลฟุลกฟีมวาวคิรและท่านเห็นนะเรือนี่มันแล่นอยู่กลางทะเลนี่นะที่มันฝาน้ำอยู่นะครับลีตาบตาอูอัลลให้เรือมาเนี่ยเรื่องพูดเรื่องดีอย่างเดียวเลยนะเพือ่อท่านทั้งหลายจะได้สแสวงหาลตาบตูแสวงหาอะไรครับ Uli, มิมฟาตุลีความโปรดปรานอัลฮัมดุลิลละแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์ความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยอธิบายอย่างนี้นะครับเช่นอะไรบ้างเออมีอยู่สามอย่างความโปรดปรานของอัลลอฮ์นะ <c oughs> หนึ่งทำการค้าขายอ่าใช่ไหม สองนันเป็นริสกีของมนุษย์อีแล้วใช่ไหมนะบางคนมีมีเรืออย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วใช่ไหมละ่ะชไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความโปรดปารานของอัลลอฮ์เอาไปทําธุรกิจค้าขายต่อเรือขายอีกอัลลอฮ์ใช่ไหมนี่เป็นความโปรดปารานของอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ถ้าไม่มีทะเลล่ะมั น, ะนจะต่อเรือไปทําอะไรต่อเรือไปทําอะไรสมัยในบินร่วกันหน้าแตกมาแล้ว น บ, บีนูต่อเรือต่อเรื อ, อ, รอชาว บ, บังกับอบมนวัวเอ้ยบ้าจะเอาเรือไปวิ่งที่ไหนเพราะพวกเราไม่ไมเคยเห็นทะเลกันเนี่าเราอะไม่เปลาสร้างไปสร้างไป <c oughs> พอสร้างเสร็จแล้วเรือเสร็จแล้วให้ฝนตกลงมาโง่หักวัดเท่า น, นั้นแล้วคนที่ขึ้นเรือปลอดภัยคนที่ไม่ขึ้นจบแล้วอะตายละจบไหมไม่จบ าแล้วถูกลงโทษนะกูบูต่ออีกเขาทำาำไมของที่อเอาลอห้ามเอาเนี่ยเล่านิดหน่อยแปะนิดหน่อยนะครับต่อมาครับวาลาลูกุมตสกุลเพื่ อ, อเพื่อสู่เจ้าจะได้ขอบคุณอลัลลอฮนั่งอยู่ในเรือขอบคุณอลัลลอฮ์จริงหรือเปล่าแล้ววันนี้มีเรือไปทาศีนานกันใช่หรือไม่ใช่ พอดีนามันเยอะมากๆอลัลลอฮ์ก็ส่งโรคมานั่งอยู่ชายหาดก็ทําสี น, า ก, นกากันแก้ผ้ากันใช่หรือไม่ใช่อลัลลอฮ์ก็มองดูอลัลลอฮ์เพราะเพราะว่าทะเลนี่ก็ขอร้องอลัลลอฮ์นะอลัลลอฮ์ขมือไหมแล้วรอก่อนรอก่อนแผ่นดินก็ขอร้องอลัลลอฮ์นะนี่มันคนชั่วมันเยอะเหลือเกินอลัลลอฮ์ทำลายมาให้แผ่นดินไหวไหมให้แผ่นดินสูบมันแบบก็รู้นะ่ะ เพราะว่าอย่าเพิ่งรอก่อนรอก่อนยอ้อนรอก่อ น, ออนมันเยอะมากขึ้นไม่ไหวกว็เลยส่งโรคมานะ้าอุ้มินลด้ติดกับตลมอาย่านี้ดีไหมอ ล, ล๋อพักบัสพูดหลายเรื่องนะน้ําเค็มน้ําจืดมีประโยชน์ไหมประโยชน์แล้วก็สัตว์อาหารที่มาจากน้ําทะเลเนี่ยเขาเรียกวันละมันตอริยนันเนื้อมันอร่อยเนื้อมันสดสดนอกจากเนื้อสดแล้วยังมีไขมุกอีกเห็นไหม และข้างบนอีกเอก็มีเรืออัลลออัลเบตอุโลนี่ประโยชน์เป็นบรารกัดกับผู้สะเทาถ้าใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้ปัญญาก็ไม่มีประโยชน์นะครับเอาต่อมาอายะที่12ครับ13บยูลิจุลไลลฟินนะฮารวายูลิจุนารฟิลไล วาสห์คอรَชَมสَาَุกามาร์ُุลุ ت َ ج ْ ر น ي ل ِ أ َ ج ิ ل ٍ م ُิมมุซัมมาซาลิกุม ل ลลอห์รับบุคุม له ا ل م ل ُ وَالَّذِينَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِير ฮะบดุลลอฮยุลิจุลไลลฟินนาร์วยุลิุลนารฟินไลลวะซักรอชัมซละอัลควาบร์ุลุนต اجر ิลียาจลิมุซัมมาซาลิกุมุลลอฮฺรับบุคุม لهُ المُلْك วันละที่นัตตะ د าวนั้มิหนูนิฮีละมายมลิกูนั้มิทิละมิร์ الحمد لله الله أكبر الله أكبر นี่พูดในเรื่องกลางวันกับกลางคืนเรื่องนี้มันผ่านมาแล้วนะกลางวันกลางคืนชันฟ้า พูดเรื่องกลางวันกลางคืนแล้วก็พูดเรื่องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่โคจร อ, อยู่นี่ใครบริหาร <c oughs> ใครบริหารจัดการถ้าไปถามคนไม่เอาอโลก็บอกว่ า, ว า, วาเกิดขึ้นมาเอง <c oughs> ละเอียดอย่างนี้นะไม่มีผู้บริหารเลยโลอักวัสเอาต่อมาครับยูลิยุลไลยูลิศแปลว่ า, วา ลอดเข้าไปลอดเข้าไปแปลว่าเข้านี่ด้วยของพี่น้องที่จะเข้าบ้านเนี่ยอัลลอฮฺมาอินีอัลลอฮฺคอยรอลมาลอฮีวาคอยรอลมักรอจีมาลัดเนี่ยป่าข้าศนี้่หละโออัลลอขอให้การเข้าของฉันการออกของฉันนะเข้าบ้านนีมีบราิกาดโดยนามของอัลลอฮฺ ash, เนี่ยยู ash, ลัดเนี่ยยูลัดแปลว่าเข้า ยูริยุลไ ล, ลอัลลอฮุซงให้กลางคืนเนี่ยลอดเข้าไปในกลางวันให้กลางคืนเนี่ยลอดเข้าไปในกลางวันอธิบายยังไงได้ตับซีดมรอรีแลหลายเล่มวชแล้วบอกว่าถ้าเอากลางคืนลอดก็ไปในกลางวันหมายความว่ากลางคืนยาวกลางวันสั้นประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่า ตัวนี้สุเปอรเป็นไงเห็นไหมล่ะอาทิติ์ห้าอาทิแล้วธรรมดามันต่อตีเทไหลทนะถ้ า, นะ ถ, าถ้ากลางคื น, นยาวๆนะนะกลางวันทต่นี้นะตัวนี้เวลามันเปลี่ยนประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่ายูลิยุลไลลาฟินนะฮะเอลลาลอดโซมลอดกลางคืนเข้าในกลางวันก็ทําให้อะไรอะไรยาวนะกลางวันยาวเอาต่อมาครับ วายูลิวายูลิจุลลายละฟิลวายูลิจุลฟิลและอละลอฮ์ส่งให้ทรงลอดกลางวันเข้าในกลางคืนพวกก็สลับกันกลางวันยาวบ้างกลางคืนยาวบ้างถ้ากลางคืนยาวก็นอนอร่อยหน่อยแตย่หัดยุดไม่เคยมีนี่ความสามารถของกายอัลลอฮ์ เห็นไหมนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องคิดอัลลอฮ์เนี่ยเคิขึ้นมาเองเหรอให้กลางวันยาวให้กลางคืนสั้นให้กลางคืนยาวให้กลางวันสั้นประมาณชูบวงกว่านะจริงไหมจริงครับทีนี้อุลามะบางคนอธิบายอย่างนี้ผมอ่านมันหนังสือฮะฮุจจัตุลลอฮฺอัลบาลิกะเป็นหนังสือภาษา阿拉นะภาษายากมากของชาวยุนลออธิบายบอกว่า กลางคืนยาวบางค่ำยาวบางทีกลางวันกลางคืนยาวกลางวันยาวอธิบายอย่างนี้นี่สำคัญเปรียบเทียบนะมาใช้จริงๆนะเปรียบเทียบให้ฟังว่ากลางวันเปรียบเสมือนอิสลามเข้าใจนะเพราะเปิดศัศมีให้กับชาวโลกกลางคืนเปรียบเสมือนอัลลอฮมุความอธรรมเข้าใจนะหมายถึงกุฟกลางคืนเปรียบเสมือนกุฟรุน กลางวันเปรียบเสมือนอิสลามบางทีอิสลามชนะกุฟชัยว่ากลางวันยาวข้ากลางคืนหมายความว่าเขาตีความว่าอิสลามนั่ น, นชนะกาเฟชนะกุฟหุนถ้าหากกลางคืนยาวสแสดงว่าคนกุฟเรหรือการปฏิเสธ ต, ต่อร้อนเนี่ยชนะอิสลามทีนี้มาอธิบายต่ออีก ถ้าอิสลามชนะเนี่ยโลกปั่นป่วนไหมโลกจะอยู่สบายหรือว่าคนอยู่ลำบากหรือว่าอยู่อยู่อยู่อยูบากสบายถ้าอิสลามชนะนี่นะคนอยู่บนโลกนี้สบายที่นบีมุฮัมมัดมาต้องการจะให้อิสลามเนี่ยชนะกุฟใช่หรือไม่ใช่ทีนี้ถ้าหาว่ากุฟเนี่ยมันชนะอิสลามเนี่ยคนอยู่ลําบาก ห, หรืออยู่สบาย าวันนี้วันนี้วันนี้โรคระบาดมาเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะกุฟรีันชนะอิสลามใช่หรือไม่ใช่เตือนใช่เลยถ้าที่ไหนมีกุฟทั่วโลกมีกุฟมากกว่าอิสลามชนะอิสลามนะเองรอนะจะพบกับการเตือนของอัลลอฮ์ไหยณะจะตามมา เมื่อาอาทิตยีแล้วนะ่ะละหุมอาตาบุญใช่ไหมนะ่ะใครที่วางแผนชั่วชั่วชั่วช่ว ช, วช่วเอาไว้น่ะวางแผนทําลายอัลลอฮ์ทำลายอิสลามทําลายสุนนะนบีแล้วก็เตือนคนอย่าเอาจะไปเชื่อว่าตายแล้วฟื้นน่ะถ้าเรื่องกูฟตมันชนะอิสลามมากเมื่อไหร่นี่นะเป็นยังไงครับละหุ่มอาตาบุญการลงโทษก็จะกลับมาหาเขาเองนี่ลงโทษไอ้เล็กไม่น้อยนะเตือนนะมันไม่ใช่เรื่องโทษโทษหนักนะ โทษหนักต้องกูโบนูน่ะเราก็ฟื้นขึ้นมาในวันเกมานะเจอหนักกว่านี้อีกไม่รู้ว่ากี่ร้อยเท่าอ่ะฉะนั้นอยากให้อยากให้อิสลามมันจเจริญหรือว่าตกต่ำหนังสือคำมนาอบริษัสันเขียนดีน่ะมาดาคอซิรอลลาลาบีอินไฮต์ติล ม, มุสลิมนต้องอันนังสือเยอะนะโลกน่ที่มันปั่นปวนที่มันขาดทุนเพราะอิสลามเพราะมุสลิมเนี่ยตกต่า มุสลิมตกต่ําเมื่อไรนะความชั่วมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคนห้ามไม่มีนะคนเตือนไม่มีคนสอนให้เลิกไม่มีเอาใครบ้างที่ที่สอนให้โลกเลิกทาความชั่วกะกลุ่มพี่น้องมุสลิมแล้วนี่นะพี่น้องได้ว่ากระทุ่งดานหนักน่อยนะโรคโควิดมาเองเนี่ ย, ยไม่เป็นโรคระบาดแต่ผลสุดท้ายออกมาเป็นไงดีนะคนที่เป็นโรคโควิดนี่นะอะไรพลาสมา พัสมาของคนที่เป็นโรคนี้นะเอาไปรักษาคนได้อีกสามคนวันนี้เอาลองให้เห็นแล้วออเฮกมากจากการเป็นโรคนี้มันก็มีอะไรแอบแฝงอยู่นะพี่ต้องด่าว่าก็ถูกด่าก็เจ็บหน่อยนะก็ต้องอดทนซอบิรอนว่ามหัศจิบันห ว, วานหาตอบแทนจากอัลลอ์ไม่มีอะไรราเรินครับถูกถูกตำหนิหมดนบียังถูกดา่าใช่หรือไม่ใช่อ้าวเข้าใจนะ ยูลหรยุนไลแลฟินนะฮะอัลลอฮ์ส่งลอดกลางคืนเข้าไปในกลางวันทําให้กลางวันยาววายอยู่หรืยุนนะรอฟิไ ล, ลแล้วก็ส่งลอดกลางวันเข้าในกลางคืนก็ให้กลางคืนยาวประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าแต่อธิบายดีนะถ้ามุสลิมถ้าอิสลามชนะ โลกสันติถ้ากุฟชนะโลกปานควรอ่าคันนี้เข้าใจนะทำโดยดียแล้วต่อมาครับว่ชชาซัคคอรัชัมซวัลกอมรัรอัลลอฮุอะบดัลลอฮ์ทรงให้ดวงอาทิตย์อ่าวัลกอมรัรเนี่ยอยู่ใต้อำนาจคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีประโยชน์ซัคคอรแปลว่าให้ประโยชน์กับมนุษย์ กับภาษาประสิง่งทั้งหลายบนโลกนี้ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์แดดไม่มีเป็นไงอ่ะเอา้าจะตากผ้าเนี่ยและคนจนๆไอ้คนรวยๆมันอาจจะมีที่ปรับคุณนปรับนี่ก็เรื่องบ่อยแต่คนจนๆทำไงอ่ะฉะนั้นถ้าไม่ไมันาไม่มีแดดฝนจะตกไหมล่ะน้ำทะเลกระเหยขึ้นไปเป็นน้ำฝนนะ่ะคิดให้ดีอัลลอฮ์นี่ความสามารถของอัลลอ์สุบฮานะวตาลา วาสัคคารชัมสาวลกามรและอัลลอฮ์ส่งให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์มีประโยชน์สําหรับมนุษย์ทั้งหมดเลยนะทีนี้ถามว่าดวงอาทิตย์กับโลกใครใหญ่กว่ากันนะดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าเท่าไรกี่เท่ารูป้ป่ะแสนสองหมื่นแสนสองมื่นเท่ามีใครให้อะ นี่ถ้าดวงอาทิตย์น่ะกล้กับเรามาสักนิดนึงอะ่ะไหมหมดเลยนะ่ะถ้ามันอยู่ห่างไปนิดหนึ่งนะเย็นเป็นน้ําแข็งหมดนะ่ะยังไม่ขอบคุณ อ, อะไรล่ะนักประสาทอเลมด้านนี้แต่ทรยศต่อรอ ก, ก็นะ่ะรอปักว่าอันนี้นนต้องเรีนตั้งแต่สมัยมัธยมใช่ไหมดวงอาทิตย์กายกับโลกขนาดไหนขนาดไหนในกันครูก็สอนกัอยู่แล้วใช่ไหมแต่มีใครเอ่ยเอาร้อยไหมละ่ะ อาจารย์ที่สอนเคยเอาล็อตมาเนี่ัยเอาล็อตทำมาไม่มีอะไรนะธรรมชาติสร้างมาธรรมชาติสร้างมาเราก็ถูกเป่าหูกันมาตลอดเอาต่อมาครับกุล <c oughs> ุนตาจรีลิอาจัลิมมุซามากุลุนแปลว่าแต่ละอันดวงอาทิตย์ทั้งดวงจันทร์ดวงดาวรั้วหมดจะอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยนะตาจรีมันโคจร มันวิ่งแล้วแต่แไปลไปโคโจรแต่มันมันภาษามันดีหน่อยโคโจรลีอาจาริมมุซัมมาตามวาระอาจารย์แปลว่าวาระหรือกำหนดนะใช่ไหมละ่ะเราในงานตอนตายเขเรียกว่าอาจารย์เป็นการจะมานี่อาจารย์บปลว่าวาระกำหนดเนี่ยใครกำหนดมาจากอัลลอฮฺมุซัมมาถูกกำหนดเอาไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรอยู่ทาวร ลิกุลลิกุลุนตาจรีลิอาจริมุสัมมาพูดเรื่องสิ่งที่อยู่บนชั้นฟ้าทั้งหมดเนี่ยนะมันโคโจรตามเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้กี่ปีกี่ปีกี่ปีเดี๋ยวดวงอาทิตย์ดวงนั้นดวงจันดวงดาวจะร่วงลงมาหมดเลยครับแต่วันนั้นคือวันตียมะห็นไครับทุกสิ่งทุกอย่าง เดินไปอยู่วันนี้นะมีเวลามีเวลาหมดอายุด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่อยู่ไปตลอดนบีมุฮัมมัดอลัลลอฮ์รักที่สุดยังตายไหมเออพูดถึงเรื่องนบีนะตอนป่วยนบีเรียกหาใครเรียกหาพรยานะพรยานภรรนบีมีหลายคนน่ยทัพยาคนอื่นรู้ว่าผู้นี้ฉันอยู่ที่ไหนนบีต้องการจะอยู่กับใครรู้ไหมท่านยังง่ายงงช่ ฉะนั้นสามีนี่นะจะอยู่จะอบอุ่นนะอยู่ใกออล้พรญาขันอบอุ่นพยากนงกรสามีด้วยทีนี้ท่านอบูบักก็เหมือนกันเราจะรอวันตอนป่วยเนี่ยเรียกหาใครรู้ไหมอ้ชาอ้ชาจะมหาพ่อน้อยเห็นไหมเนะ่ฉะนั้นี่มองกันนะ้วยสายตานะนึกเองนะอลอพ่อบางทีอยู่ใกล้ลูกผู้หญิงกับลูกผู้ชายอันนั้นจะสดชื่นกว่า ลูกผู้หญิงลูกผู้ชามันก็ได้นะแต่ว่าลูกผู้หญิงกับลูกผู้ชายไหนจะพูดเพราะกว่าอ่ามาเที่ยวมาลูกตัวบ้างก็ซาวเอชอชื่อหเชื่อใจท่านภูมิมรชีวิตของนบีตอนจะตายเนี่ยอยู่กับหญิงไอชิช่าท่านอบูบักตอนจะตายก็อยู่กับท่านหญิงไอชิช่าเหมือนกันนแล้วก็ท่านอ้วก็ถามไอาชาจ้าฮะอิะอช่าตายก่อนนบีไอตายตายทีหลังนบีอ่ บัว ก, าตาก็ตายก่อนเสียตายก่อนแล้วก็บัวกัถามบอาว่าวันนี้วันอะไรถามาหญิงไอชาวันจันท์ต้องการอยากอยากจะอยากจะอะไรนะอยากใช้ตายเหมือนกับนบีเหมือนกันถ้าหญิงไอชาเป็นอย่างเงี้เวลาไปอยู่กับพ่อตอนตอนจะตายนี่นะไปอ่านไปอ่านกลอนอ่านบทบทกลอนบทหนึ่งซึ่งแปลว่า ถ้าหัวใจถ้ารั่วมีปัญหาจะเจ็บหน้าอกมีบทกลอนอาดับนะคนเทศกล้ายจะตายเนี่ยถ้าหัวใจมีปัญหาจะเจ็บที่หน้าอกท่านบูบ้างบอกว่าใชยไปอ่านบทกลอนทาไมทําไมไม่อ่านกุรานอ๋อเตือนนะคุรานอายาไหนแหละตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนกระใจเจ็บหน้าอกน่ย ว่าจะสักวโรตุลมาติบิลฮักเตะว่าจะสักวโรตุลมาติบิลฮักเตตอนวิญญาณจะออกจากร่างเขาเรียกว่าตอนโคม่าจะจ ะ, จ, ะจะจะสลบไปช่วงนั้นแหละจะเห็นหมดเลยตอนวิญญาณจะออกจากร่างนะครับมันทรมานทุกคนนะครับนบีเองก็ทรมานแล้วก็จะเห็นนะครับคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์จะเห็นอัลลอฮ์ ปฏิเสธนรกจะเห็นนรกปฏิเสธสวรรค์จะจะเห็นสวรรค์ปฏิเสธสุนทรนาบีสุนทรนาบีจะมาให้เห็นหมดเลยฟาโรตอนวจะโจมน้ําตายนะ่ะว่า ย, ยังไงอามันตุฉันอีมาแล้วถามว่าวพูดทําไมเขาต้อให้เห็นหมดเลยเอันไม่เชื่อลองตายดูเช่นนั้น ก่อนจะตายนะ่ะเป็นเวลาที่พระตนะวันทรมานวิญญาณจะออกจากร่างประมาณห้านาทีสิบนาทีเนี่ยนะครับทำให้เจ็บในอกนี่คุณอ่านอธิบายชัดแล้วก็ความจิกความจริงที่ปฏิเสธกันไว้นี่นะเห็นหมดเลยนะอัลลอฮฺแล้วก็วะจะเสียใจถึงฟาโรห์พูดว่าอามันตูฉันอิมานแล้วอัลลอถามว่า พอระยศพอทั้งชีวิตพอเจอความตายพวกใจอีหมานกันนั้นเลยนี่อัลลอฮ์ตอกลับหนักไหม <c oughs> อ่ะต่อมาครับอัลตูอนี้พูดยาไปแล้วครับザลิคุมุลโลทั้งหมดเหล่านี้นะ่ะเป็นของใคร <c oughs> เป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดไม่ใช่เกิดขึ้นมาเองดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่โคโจรอยูบ่บนชา้ฟ้านีใ่ใครบริหาร อัลลอฮฺซาลลูมุลลอห์นั่นอยู่ในความสามารถของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์เป็นอะไรครับรอบบูกุม um. เป็นอะไรพระผู้อภิบาลของสูเจ้าและยังไม่พอเองนะละหุลม ah ุล ah กูมหาอำนาจอัลลอฮ์มหาอำนาจจักรวาลทั้งหมดนี้เป็นของใครละหูเป็นของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ใช่ไหม ซาลิกุม like e e ุลลนั่นเป็นของอัลลอ์รับบุคุมอัลลอ์เป็นผู้อภิบาลดูแลท่านทั้งหลายยังไม่พอเอกละฮุลมุลกุอานาจทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮะนาหุวะตาลาอาตอมาครับวันละีนาตะดาวนมินดูนีนี่อัลลอ์ก็พูดอีกคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์มีไหมบนโลกนี้นะ เยอะกว่ามุสลิมนะเยอะกว่าเยอะมากเลยค <K> น <un> ที่เอาอัลลอฮ์ก็เอาแบบชีวิตเยอะไหมเยอะมุสลิมเรานี่ก็เหมือนกันนะมุชันอีมานต่ออัลลอฮ์ทำชิริกด้วยไปหาตัวตะเกียรพวกยโฮดพวกนัสราเนีย น, นับถืออัลลอฮ์แต่ให้อัลลอฮ์มีลูกชายชื่อนบีอินซานี่ยชิริกอัลลอฮ์ไม่พอใจส่ง น, นบีมาสอนแล้วก็เอานาบีกราบยังนะานนบีมูซ่าอินซาเป็นนะ พราะน บ, บิร์มุฮัมมัดมาน บ, บิร์พูดสอนเคลียร์หมดเลยอ่ะเอาดูต่อไปวันละสินาตาดานามมนดูนีบรรดาผู้ที่เรียกร้องอหรือว่าขอขอนุนนขอนี่เวลาได้รับความลำบากเดือดร้อนน่ะชอบขอกันนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกมินดูนิฮีอื่นจากอัลลอฮ ผู้ที่ขอสิ่งอื่นๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบนโลกดวนยาใบนี้อื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะมายามลีกูนพวกเขาไม่ไม่สามารถครอบครองอะไรเลยสักนิดหนึ่งก็ครองไม่ได้มิงติตมิตจุดขาวๆ อ, อินทพาลามรู้จักอินทพาลามไหม เม็ดในมันอะแข็งๆมันอย่าเม็ดในใช่ไหมมันมียู่ไปแลนะเปลือกข า, ขาวๆเยือเ่อขาวๆเช็นไหมเราซึ่งเราระนึกไม่ถึงอ่ะอัลลอฮฺเอ๋ยนะกิตตมีแม้แต่กิตตมีจะเยือเ่อขาวๆ ข, ของเม็ดอินฟาลามเม็ดในมันะมนะสิ่งที่เขาบูชาที่เขาขอที่เขากราบพระเจ้าย่อยๆเนี่ยสร้างได้ไหม ไอ้เยื่อขาวๆที่หุ้มเม็ดข้างในอินฟลัมน่ะถึงสร้างให้ฉันดูหน่อยสิเห็นยังนี่เอาล้อท้าหรือเ่าพวกนี้ไม่มีความสามารถแล้วไปกราบมันทําไมไปขอมันทําอาไรแม้แต่เม็ดอินฟลัมมัต้องไปพูดรสร้างไม่ได้อยู่แล้วเอาล้อท้าว่ า, มาเมล็ดเม็ดอินฟลัมข้างในมันนะเคยสังเกตไหม มีเยื่อขาวๆหุ้มอยู่นั่นน่ะเองสร้างได้ไหมล่ะจนปัญญาครับท่านคนที่อ่านคนุณอานนี่ إ ม م ا ن มันเพิ่มอ่ะกินอินพลามเจอขาวๆ อ, อ๋อรอเนี่ย อ, อ๋อรอพูดไว้นกคุณอานโซรายได้โซรอฟาติอาญาที่สิบสานี่อินพลามจะมาอะไรดิใช่ไหมเรามาดอนจะมาแล้วทุกนนต้องนึกนะเรียกว่าอะไรนะกิตตมีกิต ม, ตมีหมายถึงเยื่อขาวๆที่หุ้มเม็ด มันอยู่ข้างในอินทราลามหลังจากกินเนื้อมันไปแล้วนะเหลือจากเม็ดมันจะต้องทิ้งใช่ไหมละ่ะไอข้ขาวๆหุ้มหุ้ ม, มเมล็ดมันน่ะเอาล้อลพูดนะกระเพื่อกรุณาจิตเม็ดเองสร้างได้เปล่าขนตามันจะเปิดพูดรอกเอาข้างในนั่นแหละเห็นอย่างครับจนปัญญาไหมจนปัญญาครับวัวเอาต่อมาโอ้โหยาไปนะเอาละเอายาสุดท้ายนะายาสุดท้ายครับยาหมดเวลา ย, ยังเนี่ย รอย่างมีอีกสิบนาทีหานาทีอินตาดาวหุมละยสมาอู่ دعاء อัคุมวลาเราสัมูมัสตเจบูลักุมว่ายอมหลกิยามติยักฟูรูนบีชูรกิคุมวลายูนบีอูกามิสลุขะบิร الحمد لله إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا مستجاب لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ي ن ب ุ ك م إلا خبير ا ل ح สุดท้าของข้อิตินี้นะครับท4สิบสี่นี่พูดบอกว่าอยานใ้เตือนนะครับที่พวกท่านไปขอเนี่ยไปวิงวอนขอจากจากรูปจากเจวเวทก็ดีซึ่งทํา ม, มาจากหินใช่มเนี่ยอธิบายก่อนนะแล้วก็บางคนขอจากวลาอิกา ม, มีมหมมีเพราะอารับมุชลิึกมันมีทุกอย่างถึงบานมัน ในซาอุดีนะ่ยมีทุกอย่างเลยก่อนที่นบีจะมามีทุกชนิดกราบมล า, ายกาด้วยเพราะเขาเชื่อว่ามาลายกาเป็นลูกสาวอาลัลลอฮ์แล้วก็กราบจเจวิตกราบคูโบสารพัดอลัลลอฮ์ก็เล่านะักพีกลอานสรุ ป, ปง่ายๆคือว่าจเจวต ท, ที่ทำมาจากหินเนี่ยไปกราบหินทำไมเพราะหินเองเนี่ยนะ เคยจำไหมนบีเคยสอนซาวบักคนหนึ่งชื่อก so ูไบซ้อนกูไบซ้อนนี่ออกมาจากบ้านมาหานาบีฉันจะมาเรียนาศาสนานาบีก็ปลอบใจว่ากูไบซ้อเอ๋ยคุณออกจากบ้านคุณตั้งใจมาฟังาศาสนาจากฉันนี่นะคุณเดินผ่านสามรายการนะเดินผ่านต้นไม้ต้นไม้ขออภัยโทษให้คุณคุณเดินผ่านก้อนหินเขาขอข อ, ขออภัยโทษจะล้อให้คุณ คุณเดินผ่านบ้านบ้านขอ อ, อุตอาณพุทธจคุณกระจายใช่ไหมวันนั้นเวลาคนกาเฟสเอาหินเนี่ยมาํามเพนพระเจ้าเป็นมาสิงเป็นไป น, น่ะเป็นจเจวิตกาบใช่ไหมหินมันก็พูดว่าฉันกำลังจะขออุอาห้มุมินอยู่มายุ่งกับฉันทำไมหน้าแตกมันต้นไม้ก็เหมือนกันผ้าเขียวผ้าแดงที่ไปหอ่อหอกันอยู่นะ่ะอ่าล่างให้ฟังนิดหนึ่ง มีอยู่ครั้งหนึ่งนบีใช้อะไรนะขอนไม้ที่เป็นอินอะไรอินต้นอินทรพลัมน่ะทำเป็นมินบัตนะนบีขึ้นไปสอ น, สอนสอนสอนสอนอยู่แล้วต่อมามีผู้หญิงมุสลิมมากคนหนึ่งนสมัยนบีนะใจดีนะทํามินบัตให้ท่านนาบีมีบันไดาสามขั้นใช่ไหมนะ้าพอไปยืนนบีไปยืนสอนมินบัตใหม่เนี่มินบัตเก่าที่เป็นขอนไม้เนี่ยเป็นวันสุกเลยนะร้องไห้ลักสั่นหมดเลยน่ะ ร้องโหโหโหโหสา บ, บานนมากกันมาชิตตกใจกันหมดเลยน่ะน บ, บีเดินลงมาจากมิมบัตนแล้วก็มากอดอะไรนะอถอนไม้นั่นอ่ะอย่าอย่ารอมนะสแสดงว่าขอนไม้อยากจะฟังศาสนากำลังขอดูอาตาร้อให้อภัยโทษคนที่มีศาสนา แล้วเอาต้นไม้อะมากราบต้นไม้เองอย่ามากราบฉั น, ฉ, นฉันไม่มีเวลาอยู่กับคุณใช่ไหมฉะนั้นสปปรรพสิ่งที่อยู่บนโลกโดยยายแบบนี้สรรเสริญต่ออัลลอฮ์หมดเลยนะไม่มีใครทรยศต่ออัลลอฮ์เลยแม้แต่สัตว์ทุกชนิดนะยังสรรเสริญต่ออัลลอฮ์แต่เราไม่รู้ว่าสรรเสริญยังไงเท่านั้นเองเอาดู q ร r a n อินตะดาวฮุมถ้าสูเจ้านี่นะ ขอหรือว่าวิงวอนหุ้มพวกมันพวกเขาก็คือรูปเจวเวทั้งหลายหรือไปขอจากนบีอีสาที่เป็นคนนบีอีสาก็จะเข้าฟ้ า, าอัลลอ์อยู่บางกันจะรงนามมาออ่านชัมภีตาอรอซาบุตอินยีนนนใช่ไหมล่ะแล้วยุ่งกับประกาศชันทำไมเนี่ยฉันไม่มีเวลาคุยกับคุณกันเยอะมากอย่างนี้เป็นต้น ลายสมเอาดูอาอาคุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่เลยนะเขาไม่ได้ยินที่ไม่ได้ยินเพราะเขากำลังจะสนใจกำลังขอดูอากำลังขออภัยโทษให้กับมนุษย์ใช่ไหมนะมันั่งรบกวนเ็าอยู่นี่ละเอียดนะชัดเจนนะอ่าจากนั้นนบีอิสาก็ดี เขาไม่ได้ยินหราคุณกําลังทําขออะไรจากฉันเนี่ยเพราะฉันกําลังสรรเสริญอัลลอฮ์อยู่สิเกิดถึงอัลลอฮ์อยู่ดูอาอากุมขันขอร้องของพวกเขาขอนั้นขอนี้จากเจเวิเจเวิเองก็เข้าเฝ้าอัลลอฮ์อยู่กําลังสรรเสริญอัลลอฮ์อยู่ไปขอจากเจเวิทําไมไปขอจากมลายิกาทําไมหน้าที่มลายิกาก็เต็มไปหมดยังไปขออีกเข้าใจนะต่อมาครับ ว่าแล้วสามยาียอถ้าหากว่าจเจวิตได้ยินถ้าหากว่านามีอิซาที่ตายไปแล้วได้ยินทากมาลาอิกาได้ยินมัสตาจาบุระกุมพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองคำขอร้องของคุณได้หรอกเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างมีนหน้าที่รับผิดชอบงานกันอยู่แล้วไปส ก, กิตรามีอิซาขอรุ่งอายชันว่ออาอ้าฉันก็ลังทำงานของอร่อยอยู่นะมาขอฉันทาไมกระจนะ มัลก้ากับาาาาก่าอาวเ น, น, นี่ยมาขออาจารย์นี่แล้วไอ้ยินเสตอร์เนี่ยมันชอบแล้วขอกูกูช่วยมึงอ่ะพวกของหมอผีทั้งหลายเนี่ยกระจายนะเอาต่อมาครับบนดุนยาช่วยกันไม่ได้แล้วนะมันจะเอาล็อก อ, ลล อ, อง์เดียวช่วยวายาุมัลติยามาพอไปในวันเกียรมาอีกรูปจวเจวิตทั้งหมดนบีอิสซาด้วยโตตะเกียร์ด้วยรวมกันทั้งหมดที่พวกเราขอกันอยู่นี่นะยักฟูรูนะพวกเขาจะปฏิเสธ บชอตกีกุมการตั้งภาวกีของพวกคุณเขาปฏิเสธฉันไม่รับรู้ฉันไม่รู้เรื่อง น, ะน่าแตกหมละนี่กูอ่านพูดชัด น, ะอ ะ, น, อนะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของมาเลยก็เป็นเจ้าของนบีอีซาเป็นเจ้าของทั้งหมดเนี่ยถ้านาบีอีสาจะช่วยจะจะขอจากนบีอีสานะนี่อิสาก็ต้องขอจอาออกอัลลอฮ์ก่อนนะว่าใช่ทเป็นง่ายๆน ะ, ะต่อมาครับ วักสุดท้ายว่าลอยูนับบิุกะมิสลูขบีอยู่นับบิุกะแปลว่าแจ้งแกท่านไม่มีใครจะแจ้งรายละเอียดที่ครบบริบูรณ์ในวันกิียมะเหมือนกับที่อัลลอ์ผู้ทรงรอบรู้ยิง่งไม่มีใครมาแจ้งอะคุณรอกอิมามอาัสบอมตะ ก, กีนะ่ะอันอะไรนะ่ะอะไรนะ่ะ “ إذا زلزلة الأرض زلزالها و أخرجت الأرض أثقالها و قال الإنسان مالها يومئذ تحدس أكبرها” เมื่อแผ่นดินมันไหวมามนุษย์ก็จะเกิดขึ้นมาหมดก็จะวิ่งกันหมดอะไรเกิดขึ้นแผ่นดินก็จะเล่าเรื่องของมนุษย์หมดเลยนะนั่นนี่แผ่นดินของอัลลอ์เนี่ยจะเล่าให้ ให้ตัวเองฟังกัเองทำอะไรไว้เล่าหมดเลยฉะนั้นผู้ที่จะบอกรายละเอียดของชีวิตของคุณไม่มีใครทำเท่ากับอัลลอฮ์องเดียวตอานั้นทูลองว่าเราจะแฉหมดเลยนะความดีก็ถูกแฉอันนี้ก่อจะจบคุยรมุสลิมนิดน่ในคุรานสุรามมารยามอรยาที่85หยาวมานะชรุลมุตตกีนอิลลัราะ์มานีวัฟดาอัลลอ์อันนี้ดีมากนะ จงรำลึกถึงวันซึ่งอัลลอฮจะต้อนรับคนที่ชุมนุมกันในทุ่งมาชาตคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลละคนที่ตักวาต่ออัลลคนที่ระวังตัวเองไม่ทำบาปในวันกิยมามะที่ทุ่งมาชาตเป็นยังไงครับอิลลัลลอฮฺมานิวับดาอัลลอฮจะต้อนรับเหมือนราชทูตหรือแขกพิเศษดีใจไหม <laughs> Allah จะต้อนรับคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นมุตตะีนคนที่นมาท่าเวลาคนที่อีมาต่อรอหกข้อละทำรุกลิสลามอีก5้าข้อนี่นะอ l ล a ลจะอะไรนะจะต้อนรับคนเหล่านั้นเหมือนกับราชทูตหรือแขกพิเศษเอ่ะครับต่อหน้าพระผู้อภิบาอลอ l l a จะต้อนรับเห็นยังครับฉะนั้นเราอยู่กับ Allah เนี่ยวันนี้เหนื่อยหมเหนื่อยครับถูกดา่าถูกตำหนิสารพัด ต้องอดทนไหมอดทนแบบท่านนบีมุฮัมมัดไปในวันเกี่ยมาพอฟื้นขึ้นมาอัลลอฮ์จะยืนต้อนรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แบบแขกที่ก็ต้อนรับทูตต่างประเทศที่มาในก็ดูมือรัมือไทยอ่ะตอนรับแขกดีไหมเชิญครับเชิญครับอัลลอฮ์มีนู่นมีนี่เหมือนกันคนที่ إ ي م านต่ออัลลอฮ์บนโลกดุนยาไปนี้หลังจากฟื้นขึ้นมาแล้วอัลลอฮ์ก็จะต้อนต้อนรับพวกเขาเหมือนกับแขกราชทูตหรือแขกพิเศษ الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك ش ا الله إله ا أنت أستغفرك و ا ت و ب ا ل ي ك وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين